ก่กาบบูชาพรานาไตรากาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรบมายังหงพอกงพระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินพระเทระเพื่อนสาตมิกจเรญพรมายังไม่ชี้อุบาสกุเบสิกาทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนาะสบายๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่21เนะมษายน2558อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะก็เทศกาลสงกรานนะก็ผ่านไป คนไทยเราก็มีความสุขสนุกสนานนะกันพอสมควรนะก็ได้พักผ่อนกันยาวเลยนะปิดกันหลายวันนะก็เป็นความสุขสนุกสนานที่นานทีปีครั้งนะจะได้มีโอกาสนะบางคนก็ได้มีโอกาสกลับไปนะเยี่ยมญาติไปการะวะไป ทำความเคารพบูชาบรรพบุรุษอาตมาก็ได้มีโอกาสกลับไปลบบุรีเหมือนกันนะก็ได้มีอาศัยโอกาสช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะไปก็ได้เห็นความสุขสนุกสนานนะของคนไทยโดยทั่วหน้านะได้เล่นสงการสาดน้ำกันนะทั้งที่กระทำด้วยความอ่อนโยน ด้วยจิตใจน้ำใจที่มีเ อ, อื้อเฟื้อต่อกันนะแล้วก็มีทั้งที่กระทําไปนักศักดของการเรียกว่ารุนแรงนะก็มีเหมือนกันนะซึ่งจากสถิตินะของอหน่วยงานรัฐบาลนะก็ได้ทราบว่าปีนีนะ้ทำสถิติทะลุนะทุกสถิติเลย อุบัติเหตุมากกว่าปีที่แล้วคนตายมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็ความเรียกว่าเจ็บป่วยนะจากอุบัติเหตุก็มากกว่าปีที่แล้วนะปีนี้เท่าที่ทราบตายเกือบเกือบห้าร้อยคนนะมากกว่าปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนนะว่าความสุขสนุกสนานเนี่ย บางทีมันก็ทำให้เราเพลินเราคึกขนองนะแล้วก็ไม่มีสติทั้งๆที่เขารณรงติดป้ายว่ามีสติมีวินัยมีน้ำใจนะแต่ว่าพอคนเราสนุกสนานแล้วเนี่ยนะมันก็ลืมหมดะนะลืมหมดอะขอสนุกอย่างเดียวตายก็ไม่กลัวนะ บางคนตายก็ไม่กลัวขอให้สุขได้มีความสุขสนุกสนานก่อนนะยอมตายเลยนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มาคิดอีกทีก็น่าอนเนตนาจใจนะว่าเทศกาลแห่งความสุขแต่มันเป็นเทศกาลแห่งการตายนะเรียกว่าเขาเรียกอะไรเทศกาลนับศพใช่มนี่นี่คือสงกรานก็ดีปีใหม่ก็ดีอะไรที่มันหยุดยา ว, ยาวเนี่ย คนก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานนะคปีนี้ทราบข่าวว่านอกจากในประเทศแล้วไปต่างประเทศกันเป็นเป็นแสนนะเป็นแสนเลยไปญี่ปุ่นนี่เฉพาะญี่ปุ่นอย่างเดียวนี่เป็นแสนเลยนะและยังประเทศอื่นอีกมากมายอันนี้ก็เป็นความสุขที่เราคงจะเคยได้สัมผัสได้ได้ผ่านมาเหมือนกันเขาเรียกว่าความสุขสนุกสนาน นะเป็นความสุขที่ได้จากการที่เราได้เที่ยวนะได้เล่นนะซึ่งก็ทําให้เรามีความสุขนะแต่ว่าความสุขประเภทนี้บางทีมันก็คึกขนองนะทําให้เราหลงตัวลืมตนนะจนลืมหมดทุกอย่างแม้แต่ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดบางทีเราก็ลืมนึกไปนะแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตนะที่ออน่ากลัว นะน่าอันตรายแล้วก็น่าสงสารนะที่เราต้องเอาชีวิตไปแลกนะกับความสุขสนุกสนานนี่เท่านี้ยังไม่พอนะบางคนก็สนุกสนานจนเกินเลยไปรบกวนคนอื่นนะก็ตามข่าวเขาบอกมีแท็กซี่คนหนึ่งไปเช่าหอพักนะแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังมากนะในช่วงสงกรานนี่แหละนะ แล้วก็ไปรบกวนคนอื่นนะเจ้าของหอเขาก็เลยไปไปบอกนะว่าให้เบาๆเสียงหน่อยนะแท็กซี่คนนี้ก็รู้สึกจะไม่พอใจนะแล้วก็ขับรถออกไปเอารถไปชนตำรวจนะที่ปากซอยแล้วก็แย่งปืนมาเอาปืนมายิงนะยิงเจ้าของหอเนี่ยทั้งสามีทั้งภรรยาตายเลยนะเสร็จแล้วก็หนีออกไป น, นี่ก็เป็นความสุขสนุกสนานที่น่ากลัวเหมือนกันนะก็คือเอาสุขจากตัวเองน่ะเห็นความสุขของตัวเองเป็นใหญ่น่ะเปิดเสียงดนตรีเปิดเสียงเพลงให้ดังลั่นนะเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองนะซึ่งสุขประเภทนี้นะก็เรียกว่าเป็นสุขที่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะหลงลืมตัวไป คิดว่าตัวเองเนี่ยนะมีความสุขคนเดียวในโลกนะไม่ได้คิดถึงจิตใจของคนอื่นเลย น, นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าคิดเหมือนกันนะว่าความสุขประเภทนี้นะเป็นความสุขที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะจริงๆในขณะที่เราสุขสนุกสนานเนี่ยเราก็โดนเผารน้นนะเผารนด้วยความความสะใจด้วยความสนุกสนาน นะซึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะซึ่งในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีกำหนดมีอะไรมีเรื่องราวอย่างนี้เหมือนกันนะในครั้งพุทธกาลนมีเพื่อนของนางวิสาขานะก็ <c oughs> <c oughs> เห็นสามีของตัวเองนะดื่มเหล้าแล้วก็สนุกสนานนะแต่ตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้นะ ก็สุดท้ายนี่สามีไม่อยู่บ้านนะก็ชวนกันนะมาดื่มเหล้านะให้สนุกสนานนะเพื่อนของนังวิสาขานี่มีหลายคนนะบางคนก็เข้าวัดฟังธรรมดีบางคนก็ไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมแล้วนะก็กินเหล้ากันแล้วก็สนุกสนานเฮฮาแล้วก็พอดีช่วงนั้นเป็นวันเป็นวันพระนะก็จะต้องไปฟังธรรมกันนะเป็นเวรเป็น เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปฟังขณะที่ดื่มเหล้าเมาเนี่ยนะไปฟังธรรมนะนางวิสาขาก็รู้สึกจะไม่ไม่ค่อยอยินดีเท่าไหร่นักนะที่เห็นเพื่อนๆนํานะมาดื่มเหล้าแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็ไม่แสดงธรรมไม่เทศนะเพราะว่าเห็นคนมีอาการเมาอยู่นะท่านก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยโลกลุกเป็นไฟ นะ่ายังมัวเริงล่าอะไรกันอยู่นะ่ผู้มีปัญญาเนี่ยนะ่ต้องม า, ากลับมามีสติมีปัญญานะ่ให้รู้เท่าทันนะ่ความอยากความสุขสนุกสนานนะ่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะ่ก็เรียกว่าพูดแล้วทําให้พวกหญิงสาวเหล่านั้นนะ่ได้ตื่นขึ้นมาจากความเมานะ่เรียกว่าสั่งเมาเลยนะ่าพระเจ้าท่านก็ ได้พูดให้สตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เห็นว่าความสุขสนุกสนานเนี่ยนะที่เรามักจะคุ้นชินกันหรือ ค, คุ้นเคยกันในโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้สมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันความสุขประเภทเนี้มันเผารน้นนะเป็นความสุขที่โดนความอยากนะหรือเรียกว่าตัณหาก็ดีกิเลสก็ดีมันเผารน นะ่ให้เราต้องไปวิ่งกระเสือกกระสนไปแสวงหานะ่าอยู่ร่าไปนะ่ก็ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยนะ่าทำให้เราบางทีอาจจะต้องรับอุบัติเหตุนะอย่างที่กรณีเทศกาลสงกรานต์ก็ดีปีใหม่ก็ดีนหะรือว่าอาจจะต้องถึงกับชีวิตนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเราเอาชีวิตไปแลกกับความสุขนะความสุขเล็กๆน้อยน้อยนะ แต่ว่าแต่ก่อนเราก็จะมองว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่จะต้องได้นะอันนี้เป็นความสุขที่ที่น่ากลัวแต่ก็มีบางส่วนนะที่เรามาที่วัดนะมาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะและบางคนก็อยู่ต่อจนถึงปัจจุบันนะบางส่วนก็ได้ถือโอกาสนะมาบวชก็ดีบวชเป็นพระก็ดีบวชเป็นชีก็ดี หรือไม่ได้บวชก็มาอยู่ปฏิบัติก็ดีนะอันนี้เรียกว่าเรามาสแสวงหาความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้นะกายใจของเราได้เรียนรู้เท่าทันความอยากนะคือเมื่อเกิดความอยากนะไม่ว่าจะเป็นอยากอะไรก็ตามนะอยากในที่นี้คือตัณหานะไม่ใช่อยากแบบฉันทะ ความอยากแบบตัณหาก็คือมันอยากอยากไปเรื่อยอะ่นะอยากไม่รู้จบรู้สิ้นนะอยากกินนั้ น, น, นอยากดม น, นี้อยากได้ฟังเสียงเพลานะอย่างที่เราเคยเป็นหรืออย่างที่ในโลกเป็นกันนะเป็นความสุขที่ได้จากการเสพนะซึ่งความสุขชนิดนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแต่การที่เรามาอยู่วัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรม นะก็คือการที่เรามาสแสวงหาความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่สงบเย็นนะเกิดจากการที่เราได้มาเจริญสติการเจริญสตนะิตามหลักสติปัฏฐานสูตรอย่างที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นีนะ้ก็พยายามให้เราเนี่ยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะทําอะไรก็ให้มีความรู้สึกตัว จะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะขับถ่ายให้มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะให้เราได้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะสร้างเรื่องราวที่เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจนาเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทัน นะเราก็จะจมนะไปในอารมณ์สุขในอารมณ์ทุกนะเรียกว่าชีวิตเนี่ยเป็นธาตนะุของอารมณ์เป็นธาตุของความคิดปรุงแต่งแล้วเราก็ต้องวิ่งกระเสือกกระสนไปดิ้นรนไปหาความสุขนาะจากความสนุกสนานก็ดีจากทรัพย์สินเงินทองก็ดีจากครอบครัวหรือจากสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกก็ดีเราหลงลืมไปว่าความสุข ที่สงบเย็นนั้นมีอยู่แล้วในตัวเราก็คือความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วที่ธรรมชาติให้มาอยู่แล้วนะแต่เราหลงลืมไปแล้วก็ไปวิ่งหาความสุขจากข้างนอกนะโดนตัณหาคือความอยากความร่านทะรั น, นอยากนะผลักดันออกไปให้เราทำให้นั่นให้เราทำให้นี่ให้เราสแสวงหาอันนั้นสแสวงหา น, นี้ นะเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรเพราะนั้นการที่เราได้มาเจริญสตนะิก็คือการที่เรามาเรียนรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะ <c oughs> ความคิดปรุงแต่งนะที่เกิดขึ้นภายในตัวเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ยากนะสาหรับคนที่ไม่ได้มาเจริญสติแต่ผู้ที่มาเจริญสตนะนะิก็จะเห็น กลไกเหล่านี้ที่มันผลักดันครอบงามจิตใจเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะถ้าเรามาเจริญสติเรามาเห็นตรงนี้นะเราก็จะปล่อยจะวางมันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติโดยเริ่มต้นจากการรู้ที่กายนะกายเคลื่อนไหวให้เรารู้นะซึ่งรูปแบบของการเจริญสติจะเป็นการเดินชงกลมก็ดีการสร้างจังหวะก็ดีจุดประสงค์ก็คือ ให้เรารู้กายที่เคลื่อนไหวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งห ย, ยาบๆที่เราเห็นได้ใจที่นึกคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ใจเนี่ยมันติดกับกายเพราะนั้นถ้าเรารู้ที่กายเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้ที่ใจเองนใจก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยรูปแบบเนี่ยช่วยนในการฝึกให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายาเรยกว่าให้ใจมีสติอยู่กับกาย นะปกติใจของเราเนี่ยมันคุ้นชินกับการที่จะไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาทั้งในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนะแล้วก็วิตกกังวลต่างๆนานานะหรืออะไรอวร น, นะกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอันะอนี้ถ้าเรามามีสตนะิที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ย นะเราก็จะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของกายของใจนะความเป็นปกติของกายของใจเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเป็นความสุขที่เรียบง่ายนะเป็นความสุขที่เราสามารถจะหาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนความสุขชนิดนี้เนี่ยเป็นความสุขสงบเย็นนะที่เกิดจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัตินะโดยกระทําอย่างต่อเนื่อง นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเราจะสัมผัสกับความสุขที่ละเอียดเหล่านี้แต่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับความสุขชนิดนี้หลายๆคนอาจจะบอกด้วยว่ามันก็ธรรมดามันก็ไม่เห็นมีอะไรนะมันเฉยๆไม่มีรสมีชาดนะซึ่งตรงนี้เลยนะนะมันเป็นสิ่งที่ทาให้หลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมา เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ทิ้งนาะทิ้งความสุขนี้ไปไปวิ่งหาความสุขจากข้างนอกที่มันมีรสชาตินะรสชาติที่เป็นความสนุกสนานความตื่นเต้นนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยนาะมันก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ใดก็ตามที่ยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขที่ประณีตความสุขที่สงบเย็นความสุขที่ธรมธรมดาธรรมดานี่ ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็จะวิ่งไปหาความสุขนะที่สนุกสนานนะที่ตื่นเต้นที่ร้าใจนะซึ่งตรงนั้นเราไม่ปฏิเสธนะว่ามันเป็นความสุขที่มันมีอยู่แต่ความสุขชนิดนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาความสุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกมันมีแต่การทุกข์ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็นะ เ, เรียกว่ า, าวิปปาม ิปะเลนแล้วมันสุขก็คือสุขที่สุขที่เป็นทุกข์ที่แปรปรวนได้นะเหมือนกับ <c oughs> ความร้อนความเย็นเนี่ยมันแปรปรวนได้เพราะนั้นความสุขสนุกสนานก็ดีความตื่นเต้นอะไรต่างๆก็ดีสังเกตนะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะแต่มันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่ถ้ามันหายไปเราก็รู้สึกโหยหาเราอยากจะได้มันแต่ความสุขที่สงบเย็นที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ย มันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นธรมธรมดาธรรมดามันหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้สามารถอยู่ได้คนเราไม่เป็นโรคประสาทคนเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะมีความสุขชนิดนี้มาหล่อเลี้ยงอยู่แต่เราไม่เคยรู้จักนะเราไม่เคยคุ้นชินกับมันเหมือนเวลาเรากระหายเนี่ยเราหิวเรากระหายเนี่ยเราต้องการน้ำดื่มน้าที่จะแก้กระหายดีสุดก็คือน้าจื ด, จดๆก็คือน้ำเปล่า แต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องสแสวงหาน้ำหวานน้ำเปรี้ยวน้ำที่มีรสชาติต่างๆแต่สังเกตไม่สุดท้ายเนี่ยจะดื่มน้ำเปรี้ยวน้าหวานน้ารสชาติอะไรก็ตามมันก็ไม่จบมันต้องมาจบที่น้ำธรรมดาน้ำเปล่านลเมื่อเราดื่มน้ำเปล่านี่มันจบเลยมันแก้กายเลยก็เหมือนกันจิตใจที่โหยหาจิตใจที่นิ่นรนจิตใจที่ไม่มีความสุขเนี่ย ความเป็นปกติสุขนี่แหละนะมันจะหล่อเลี้ยงมันจะช่วยเติมนะส่วนที่ขาดไปนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอาศัยนะจิตใจที่ละเอียดอ่อนที่เกิดจากการฝึกเกิดจากการอบรมนะโดยเฉพาะสตินะที่มีการฝึกอย่างต่อเนื่องสติที่ฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะมันจะมีความฉับไวแล้วก็มีความละเอียดอ่อนสามารถสัมผัสนะ สิ่งที่เป็นความเป็นปกตินะซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนที่มีอยู่ในจิตใจของเราผู้ที่มีจิตใจที่หยาบกระด้างก็ดีผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกสติก็ดีมีสติธรรมดาตามธรรมชาติตามสัญชาติญาณเนี่ยจะมีโอกาสที่จะสัมผัสนะความสุขสงบเย็นที่มีอยู่ในใจเนี่ยได้ยากหรือได้น้อยนะเพราะว่ามันยังไม่ละเอียดพอ เพราะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องทําทต่อเนื่องไปแล้วสติเนี่ยมันจะคมชัดขึ้นมันจะฉับไวขึ้นมันจะละเอียดอ่อนขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีเราทําไปเราก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมทําไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยบางวันทําไปไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรเลยนะตรงเนี้ก็ให้เข้าใจเถอะว่าอันนั้นเป็นธรรมาชาติที่แสดงที่ปรากฏออกมา เราก็ให้รู้เท่าทันมันจะพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็รู้มันการฝึกเจริญสติไม่ได้ฝึกเพื่อให้สัมผัสกับความพอใจอย่างเดียวบางคนมาปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขสงบเย็นอย่างเดียวแต่พยายามปฏิเสธนะความฟุง้งซ่านความจิตใจที่มันไม่สงบเย็นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะ รอบรู้เท่าทันนะความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ต่างๆได้การปฏิบัติเนี่ยต้องเรียนรู้มันทุกอารมณ์แล้วผ่านทุกทุกอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ผ่านเข้ามาแต่เราไม่เข้าไปอยู่ในอารมณนน์นั้นๆนะถอนตัวออกมาการถอนตัวก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวอันนี้เป็นหลักใหญ่นะเป็นหลักสาคัญนะที่ทาให้เราถอนตัว ที่เราสวดสาธยายมนตกเกนี้อาตาปีสัมปชานโนสติมาให้มีสติอย่างต่อเนื่องนะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจและไม่พอใจในโลกก็คืออารมณ์ที่มันเกิดนั่นแหละนะการที่เรารู้เท่าทันถอนตัวออกมาอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนอากาศนั่นแหละมันเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบนะอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้ เนี่ยเดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวลมนิ่งนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาอารมณ์อากาศข้างนอกข้างในนี้เหมือนกันเลยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเพราะนั้นการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราบ่อยๆตรงนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดเอาเพราะนั้นการเจริญสตินะที่เรากระทานี้ คิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปให้หมดก่อนนะให้ความรู้สึกตัวมันเด่นขึ้นมาความรู้สึกตัวนี่แหละที่จะทมให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจเราเห็นแล้วเห็นอีกนะจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วมันก็ปล่อยวางเพราะปล่อยวางเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความสุขที่สงบเย็นเป็นความสุขที่แตกต่างไปจากความสุขสนุกสนานนะที่เราได้ คุ้นเคยที่เราได้เคยสัมผัสนะเหมือนอย่างกับที่คนโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้สแสวงหากันอยู่เพดันะะนั้นตรงนีน้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากาพวกเราได้นําไปพิจารณานะได้นําไปปฏิบัตนะิแล้วก็การที่มาอยู่วัดก็ดีการมาปฏิบัติก็ดีนะตรงนี้นก็จะทําให้เราพัฒนานะจากความสุขสนุกสนานที่เป็นความสุขแบบหยาบกระด้างเนี่ย ก็เป็นความสุขที่ประณีตที่ละเอียดขึ้นนะอันนี้ก็สมกับดังที่พระจงค์ได้กล่าวไว้ว่านิพพานังประมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะ น, นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในเช้า ว, วันนี้นะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นะก็คือสิสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเกษาธรรมความจริงที่แสดงที่ปรากฏนะ่ะทั้งภายในทั้งภายนอกนะและประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะของแต่ละคนนะด้วยความเพียรความพยายามความอดทนนะ็ะก็ขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนาให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความสุขสงบเย็นคือความเป็นปกติของใจ อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเจริญพร